นักตัสทธะตรหตสัมมาสัุัสนตัสะตรหตสัมมาสัุัสนตัสะตรหตสัมมาสัุัสพสิราชาะ จบแล้วไม่นี้เรเา้นบานจบแล้วพอนนี้แย่หน่ยยากเยมวันวาไม่ใข้บักเป็นขึ้นมาซ้อนนล้วเมืเนนม่อคืน <c oughs> นี่ตื่มาตีสองย่สิแล้วทีเนไหวไม่ไหวเลยเลโากาบบัดรนี้ธรรมภาพระจะแดงพระธรรมจีนนา สงเรื่องร่วมกันคนหนึ่งเรื่องเรื่ อ, อ, อยันดอนไอ้ก็เรื่องดีสองโลเทวโลหมสูรเอาเป็นคน ม, มาพึ่งเวลาโดยเฉพาะอย่างเรื่องเรื่อยฉันดอนชาบกที่รนาขึ้นพุทธบวิสัาทฟังเทศว่าฟัในสวันสอ ง, งคืนสาวันสามคืนในความจงไม่มีอะไรมาก ก็มีหวังเดยวเพื่ธานบารมีคัมเรกคัมมบารมีสรุปแล้วจะเห็นว่าพระเจ้าขุนดอนตั้งต่เกิดมาครอบใหม่ๆถ้ากล่าววายใจกับว่านมาข้าแต่แม่มีทรัพย์ไหมขอเงินพันบาทขอแจกทานตันแค่เอาจะเท่าแม่เดี๋ยวเดียวนะขอเลยม้นัดจะทำแ้จะมาทิ้งแต่วายทานแต่เวลา แต่ว่ามีทางที่เศรษฐธรรมหนึ่งที่ไม่มีอนิสงส์เราก็ไดายาโยมพุทธบริษัททราบไปด้วยคือการให้สุราเป็นทานมือไม่มีอนิสง ส, ส, ทงงสง์ที่เรยสม์เกิดเป็นเทวดาเป็นนางฟพเป็นสวรรค์นั้นไม่มีแน่ในองค์สัมฤทธิ์ผู้ไม่รูเจ้าสัต์อย่างนี้บรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายก็ถามว่า ทำเตยพระสุลาข้าจะอมพระเดชพระคุณมีพระภาคุจารุสเลนในเมื่อการให้สุลาเป็นทานไม่มีอนอสอง์แต่ว่าในสมัยที่องค์พระเดชพระคุณเองค์เป็นด้ว่สันดอนชาตกเป็นเรื่องฉันดอทำไมจงให้สุลาเป็นทานตามมโนองค์พระเดชพระคุณากว่าตถาคตให้พระเดชพคพอใจทุกคนทุัก ในกระหม่วาว่าคนที่เล่าขี้ยามีไหยาอึดมันไม่ชอบชอบเล่าชอบยาก็เลยให้กินไม่มีสงส์หลังจากนั้นมาจะให้ทานไปขั้นถึงขั้นสุดโต่งหาทานเอาตอมาขั้นในสุดท้ายเรื่องทานทื่พระเวทขึ้นตอนจนเกิดเป็นชาติสุดท้า ย, าาา ย, า ย, ายแล้วต่อไปจะเป็นพระเจา้พจาพระเจ้าของเรา อ, องค์นี้ ถ้าเกิดไปรเรอยขึ้นไก็ว่ายังขาดทานทันพียงไม่ให้คนเรียกเป็นพรุทธเจ้าได้ต้องให้ทานพิเศษทนันคืให้ลูกเป็นทานให้มีเป็นทานถ้ยังให้ลูกมให้เมียเป็นทานเพียงใดจะเป็นพรุทธเจ้าไม่ได้ฉะนั้นเมื่อรอขึ้นไให้ช่างปฏนญาเขาก็ยู่ไป มันดาเกลดาทางหลายชื่อมันดาใน ม, มันดาประชาชนหลายมีความสูตรรุ่ยโยงส่งเสริมชาวบ้านให้ขับไล่พระเวสสันดรพระเวสสันดยก็สงรัฐเมื่อเขาขับไปแล้วก็อยู่เขาบงกดไอ้ที่เขา ก, ก, ก, เเเก็กดจะต้องไปอินจัการเสร็จแม่ดูพระว่าพระอินทร์สั่งพระวิเศกรรให้ไปสร้างตำหนักสองแหง่ง เพื่อวันหนึ่งเขากะเอ็สัันดอนเสียงชีไว้ด้วยสงเขาว่าว่าสี่กระลูกโยนลูกใครเสียงดังโยนกใครเสียงดังเด็กก็จะบาปพ่อจะบาปด้วยนะก็ยดิน่านเมื่อเขาเอ็งซันดานไปอยู่เขาบกบก็มี โชชกคือพระเทวทัตนายขอกัญญาณิชานีถ้าเลือกติดดอนก็ให้ตามอิสไยมีคนเดียเป็นมุตตเจ้าวไมเมื่อให้เลยนะบรรดาท่านพระโตสัดเจนว่ากัญหาราชาดีจังสองคนในเมืม่อเแาให้ไปแล้วโชชกคนจะเอาออต่างใจง ต้อง้โชชกับใต้ไม่ตีขัดนม้ตีไล่เอำเชือกหัวจะเทียนตีที่เป็นอย่างนี้องค์พระเดิงค ร, ร, รตัดว่าการที่กันหาลชัยต้องต้องโทษ อ, อย่างนั้นก็ ว, ว่าในสมัยช่ยก่อนก็อนจะม่เกิดในกันหาลชยายดีทั้งสองคนมีนเป็นลูกขนงชาวนา เมื่อตอนเล็กๆ ก, ก็คอยดูนาหบดแล้วควก็เข้ามายิงข้าวมันมาก็มีควายแก่ตัวหนึ่งแก่เท่าจะงายเนี่ยตาไม่ดีมหายกินผีอืไม่ได้ก็มากินข้าวกลา้าพ่อแม่ก็สั่งให้ไปไล่ตีไล่ควาไปมันไล่ฟวาไปเดี๋ยวหนึ่งมันกลับมากินใหม่ ก็ค่อยสองคนช่อน้องก็ถูกเพ่อแม่วาดมันยปดูไฟก็ไล่ใหม่ไล่ไปสบเยื้อหนึ่งก็กลับมากินใหม่ทีคราวนี้ม โ, มโหเอาไว้จัดควายตัวนั้นถูกตะพายติดกับไม้สองคนช่วยไม่เรยวทีก็กายกปนวกรรมันนี่ควายตรงนั้นเกิดมาเกิดเป็นชชชก เด็พิ่งสองคนก็เกเป็นปันหาด้ชาลีต้องช่วยกวับต้องทำงานนีกคุณกรรมเมื่อคุณเชื่อกันเร็วมากต่บรรดาชนพระโัวสัตว์จนอยากคิดว่ามันไม่มีผลแล้วต่อมาภายหลังเมงื่อองค์เดจพระชนน์คือพระเวชินดอ น, นในปัญหาด้ชาลีถูกทุรักไปแล้ว่อพระนางวสิับคนมา ถามหาพระสอนนุนบานม่ะเวทย์ขนอนได้คือว่อ า, าถา้าบอกตรงๆก็เกรงว่าพนางมาซีจะตายเขาเสียใจเขาหายไปจึงแก้งถามพนามมาซีว่ากลับมาชาติพ่อาสายเป็นชูราคนทันในป่าจนนั่งพนางมาซีเสียใจสลบไปหลังจากนั้นเมื่อพระเวทย์ขุนนอนแก่ปุณแล้ว ก็บอกตามความเป็นจริงว่าพี่ให้สมบัติันากระจายจูงทุกไปเขานี่เรียกวาปรันาวัตวิทยานี่ปรันามัสีก็ไม่ใคร่ครองยกเือนปรนาแต่กดของกรรมันนี้บรรดาสั็นผ้โดยสารหลายโดยทุนน้าที่วัดถามว่าทำไมพระเจ้าขนบอนจะบอกตรงๆไม่ได้ที่ทั้งทั้งที่ปรันามัสีไม่เยขัดติการให้ทาน ตั้งแต่ว่าพระอาศัยวิการที่มานาวัตสีเวชนดลมีกรรมต่อ ก, กันมาแต่ในชายโกน่นทั้งนี้แต่ว่าเราเคยฟังเทศเรื่องมัสีิดพิลาเระมัสยิลานิพานว่าว่าทำมีใครเ็าจ้างเราฆ่าถูกแสงวิญญาณเทศถึงตอนมนาวัตสีกล่าวขอโทษทุกอย่างท่าี่ผ่านมาในชายกน่น แตมาในจุดนี้จะมีว่าในสมัยข้างนั้นพระเวสสันดรกำลังอาศัยเกิดในนกกระจาบเมื่อนกกระจาบพูนมีอะไรลกคุณมาตัวพูนก็ต้องไปหาอาหารพันี้ก็ไปเจ็ ด, ดอกบัวใหญ่ดอกบัวมันใหญ่มากมีอาหารทีร่นั่นเขาไปจีบหาอาหารพอดีอัตุเวลาตะวันเย็นไอ้เกดบัวก็หกขนมาดูดเอาความไม่ได้ต้องกลับมาในตอนเช้า ฝ่ยายนื้อกะจ่าตรวเมียคิดว่าสามีหายไปเพราะมีชู้ที่สุนแช่แูนอื่นก็มีความโกรธทั้งดา่าทั้งว่าทั้งตีโผล่ก็ไม่ได้ว่าอะไรอันนี้จะบรรดา ญ, ญาโ ย, โยพมพุทธวิสัชทั้งหลายเึ่งด่าว่าที่มันนาวศีท้านต้องถูกเพราะว่าฉนนต่อ ว, ว่าจนนั่งสลกไปเพราะกลับมนมัน่งสนองก็เป็นว่าเรื่องนี้ไม่ฉันนอนชานจบจบมันจบจริงหรื ถ้ามันจบแก่ประเทศต่อไปเมื่อพระเวสสันดรอยู่ที่เขาเลงกฎภายหลังก็ิะะ่มีพระราชวิวาพระบัติมนดาต้องกัญหาชาลีที่โจทก น, น, น, นําไปเขาหลงไปในเมืองท่านพระถ่เอาไว้ก็มารับพระเวสสันดรกลับเมืองเป็นพระราชาต่อไปในเมื่อเป็นเวลาชาติที่ชื่นอายุไขก็ตาย ตายจากวารเนเวสัญญก็เลยเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ทัานดุสิพ <c oughs> อเวลาที่จะมาเกิดทันมาถึงเวลาที่จะมาเกิดแล้วองค์ท่าุจะพูดว่าพระเชษฐ์พระอาทิตยแกวมันเข้าสู่คันเทนดาเรื่อพอดียังไงใชนะอห ม, อมแล้วหนังจะมันมาเงค์เขาจะพูดมพรพา่างยา การกทำมาโดยคุณนาสองมันดาท่านผู้บริสัทธได้5้าพรษา5้าพรษานี่ยยังห่างเลจังดีกัน้าไม่ใช่ออก5นะเพราะพระพุทธเจ้าก็เอาพระเศษไปคนที่อืน่นแต่ว่าไม่เข้าไปสอนคนในกรุงรัตนภัตนเพราะคนในกรุงรัตนพัฒน์ที่มีทุกขิมานะมากไม่มีศรัทธานในพระองค์ การยาเทศมรนดาจนผู้ดโดยสารเขาต้องเดินศรัทธากันก่อนพระเจ้าดูก่อนว่าถ้าบุคคลใดไม่มีศรัทธาพระเจ้าจะไม่เทศโปรดตอนมาเมื่อเวลาห้าปีผ่านไปพระเจ้าก็โทรสรมหราไรชก็ส่งคนมาเฝ้าพระเจาา้าชำระมาหนึ่งคนพระบริวารหนึ่งพันคนนานี่มันรู้แตเจ้าให้กลับเข้าไปเทศที่เมือกรุงภบินณฑ์ด้โกิด พระวิาดามาทั้งหลายเหล่ า, านั้นพระฤาษีวนเนัเมื่อมาถึงพระเจ้าและพระเจ้าเทศต ร, จรวจจเลเป็นพระอรหันต์หมดเมื่อเป็นพระอรหันต์แล้วก็บวชบนูก็ลมเรื่องพระเจ้าบัตาลเรื่องเสียซึย่งมาแบบนี้หลายสิบชุดตัวแรกชุดสุดท้ายสง่สงท่าทายีมาท่านท า, ายีมาเราื่องวันวันแฟนคนเหมือนกัน ท่านมาพบองค์พระเดชพระทศพุทธเจ้าพระทรงเทศพระเทศจบทั้งหมดก็เป็นพระอาหารหมดแล้วก็พากันบทแต่ว่าพขาทายีไม่ลืมหลังจากนั้นเขาทายีจนมีบรรพเจ้าให้ไปคุ้มในบินพัฒมหานครอืเพราะอาจารย์บํารุงอดีตสอนพระเจ้าะโูธนามหาราฒตั้งใจจะฟังธรรมะจริงสนา เตราว่าท่านอุทายีท่านมีความฉลาดถ้าไม่นิมตตงตรงๆเพราะวาท่านเป็นอาหารอาหารันต์ทราบอรหันต์ย่ำทราบตามความเป็นจริงว่าอะไรควรไม่ควรยิ่งกล่าวพนาด้วยการเดินทางจากกรุงราชพฤหิมาณฑ์นครพิษณุกรมวิรุภัตเป็นทางที่ต้องเดินนาสัญจรสเป็นระยะทางหกสิบโยชน์เมื่อพระเจ้าทรงสรากบือง อ, อุบาลแก่อุทายี ถ้าอย่างนั้นเธอจะพาบริวารเธอไปก่อนศาสนาพุทจะตามไปทีหลังเมื่อพระอุทายีไปแล้ไปถึงกงุงิวิรุณภัทก็ไปเทศบ้างไปครูบ้างแต่ชาบ้านโขาทราบชาวบ้านถึงเมืองทราบพระเจ้าก็ทรงเสด็จกกาาปดไปวันในโยตไปหกสิบวันให้อุทายีได้เสียพื้นที่อ <c oughs> แต่ถึงก็ไม่คดีสัทธาของกงอุงิวิรุณภัทแตยังไม่ดีพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเจ้ามีมานะทิ่ติมากไ ม, ม่เมื่อพระเจ้าเสด็จเข้าไปถึงแล้วองค์พระเดชพระเจ้าประทับนั่งพระราชวินยยัยพระองคถวายต้องคอพองพ่อกราบกะตอบลูกสำรัลูกของพระพุทธเจ้าวันนี้บรรดาเจ้านายที่เป็นใหญ่ของพระเจ้าพระพุทธเจ้าที่มีอายุแก่กว่านั่งข้างหลังให้เจ้านายเด็กๆนั่งข้างหน้า ให้เจ้ามาจะได้ดกราบแต่ตนเองไม่กราบเพราะโตกว่าพ่อเป็นการพจ์สดงมีมานาสิกิไม่มีศรัทธาพระใจว่าถ้าเที่ยงมือไม่มีประโยชน์สะนั้นเจียวงปวดบป็นนมีเดืเสกจึยวเอะจะเค่งนที่ขึ้นบรรากาศเหาะวนไปวนมาอยู่พักหนึ่งาอวันที่จิตที่หน้าเรี ย, ยนใสพนันไห ล, หลก็ลงมา ลงมาแล้วพระฤาษีดาวองค์พระองค์กพูดแกวพระพุทเจ้าผิดโทตมหาราชก็กราบอีกครั้งหนึ่งก็ทรงได้กล่าวว่าขาพระเจ้ากราวพระองค์มาสามครั้งตั้งแต่สมัยเมื่อเป็นเด็กอายุประมาณเจ็ดปีมีงานเลิกงานฝนเวลานั้นรูนั่งขัดสมาธิใต้ต้นไทร เวลาาดไปล่าเงาไม่ค้อยตามไปข้าใจ้ถึงม่สันจันก hey, ็กราบหึงครั้งเมื่อสักครู่ทมาถึงกอกราบถึงครั้งินนาไม่หอลงมาแล้วก็กาบอีกถึงครั้งเมื่อพระพเจ้าพูน้าก็รบราทั้งครั้งสุดท้ายบรรดาเจ้าทั้งหลายก็กราบเชื่อรังเทิดว่าผู้มีพระเจ้าจึงทรงแสดงวัธรรมเจตนาโปรดพระเเมื่อจบก็มีเจ้าหลายองค์ มันรู้ว่าคนรูพระเจ้าผู้โทนพระมหาราพระรัชกาเป็นมรสดาบันพระเจ้าในไหลาอองเปพระเป็นพระอาิยเจ้าขอบวชหลังจากนั้นเป็นขนมาอองเขาเดินไสัมมาธรรมุสเจ้าแสดงมติปเทศนาก็เลยมาจนกราทั่งถึงครรษาที่7จ็ดำให้ดีมันสง่าเนี่ยอย่างนี้นักเรียนไม่ไปรู้ นี่นเดนลำานไม่รู้นะว่าอันสาที่อะไรนะอันสาที่เจ็ดที่สุดจะแสดงอย่างมกปฏิหารเวลานั้นองค์พระพจทมารทรงประกาศห้ามพระสงฆ์พราว่าท่านบุญโดยพระรัตวาชะถ้ามไปหอะให้สม บ, บ้านเห็นก็ม่รว่าบรรดาผู้โดยถือทั้งหลายเขาประกาศว่าเขาก็เป็นพระหัน บางเอมมีเศรษฐีคนหนึ่งมะฮะเีอาบน้ำญาตด้านารย์ทะเลว่าบรรดาลูกน้องก็คิดว่าอันตรายจะมีพรเจ้านายสบายในน้ำก็จะเอาไขนเลยบัดทางไว้รอไว้เจ้านออายก็อาบเมื่อกู้ใค่อะไรขึ้นมาเราถือมือจุมมือุ่มกันจันติขึ้นมาเมื่อมีกลุ่มกันจันติขึ้นมาจางนั้นแล้ว เขาคิดว่าขึ้นแกจพุ่ันจันบ้านเรามีมากเวลานี้ทุกสำนักบรรยากาศตนว่าเป็นพระอรหันต์เราก็จะพิสูจน์จึงสั่งให้คนแกะบาทรลูกนั่งแกะปุนงจันจั์เป็นบาทแล้านั่งขึ้นไปแขวไระทีสูงแล้วประกาศว่านักกนนนบจนระบับนี้เป็นไปเจ็ดวันถ้าสำนักไหนมีพระอรหันต์ให้หลาะบ า, บาท มันดาเหรืออะไรมันเหะไม่เป็นมันไม่เป็นหลามันไป็นกลางหันนะมันของเขาเพรามันทาท่าทำท่าทำท่าเหาะก็เยอะอย่างพระราชาศพบางคนรู้สึกว่าท่าฉันทาท่าเหาะแล้วกแกดิ้น้หมนะมาจงเหาะเอาใบาแคบานกเบกษาอาจารย์มันดีลาแบบที่มันโกงเขาเขาก็ไม่ยอมให้จนกระทัง่งเช้าวันที่เจ็ ตอนนั้นพระบุคลากรก็นินโดพระรัตวัชะมันข้างเอาจอจำเปนสายอยู่บนขเขาขี้จ็บปวดพวกเขาขี้จะบดในลกมานสูงต่ำไไตอนชาก็จะม า, า, งงาเป็นบาบัดกาลังหมผ้าก็จะเป็นบาัดนั่งก็ดีก็มีขี่เมาสองสามคนนั่งคุยกันบบาเฮ้ สาหตุไม่มีนักไหนเพื่อาหารจริงด้ยเพราะวันนี้เป็นวันที่เจ็ดแล้วมีปกปันผ่านมาแล้วโดยสหเสหรษฐีบายด้วยไฟนั้นจะสูงไม่มีสำนักไหนสามารถจะเหาะได้เพราะแสดงไม่มีใครเพื่ออาหารเพราะ่เวลาดินเข้าถานเป็นบุญโดยพระราชาว่าบินโดยพระร า, าชาดีไหมว่าครั้งมาบุศาสนา ท่านบินโดยพระจการกาลข้าก็ลอกว่าเวลารัตเจ้าสมบุกย่องท่ามาเป็นโลกเต็มทางฤทธิ์ท่านจะขอ่รงอะไรกันเวลารู้ว่าถ้าท่านไม่มีความสามารถผมจะไปเอาเองนักเกงสนักเกงท่ากันนั่นเป็นเหว่าท่านบินโดยพระจัการกาลกา็หะทันทีไม่หาป๋าเาก้อนหิก้อนใหญ่ที่รองเท้ามติดเท้าไปด้วย พอาวนไปวนมาวนมาวนไปชาได้เห็นเท่าลวรเท่าควรดึงตะกร้าดึงตะแกลงดึงมาดึงหัวดึงขุนเจ้าเขาเอาไปยื้อโยนลงมาโยนลงมาท่านบนๆพาพระตาชชัดทะเลสลักรถเมื่อว่าจีตเดิมแล้วก็ท่านไม้ไปหยุดบาปเพราะว่าถือว่าท่าไม่ประเคนรับไม่ได้หยุดของท่านไม่ได้ท่านก็ยืนวนลังคา ทหารจะถือขาบุอัสดระมีมันลงมาขล่างทอาไ้พัตาหาเถึ็จะนำบัตมาถวายื่องมันก็เป็นคนใหญ่เมื่อจะไหวกม่ศาสนายก็ดีาสนาอบาดีไม่มีใครหอได้เมื่อดขาว่าจะบินโดยพระมตราชก็อยากจะดูอบบ้างใอ้คนนี้คนนี้หอก็ขอแล้ให้บินโดยพระมตราชก ตอนี้มีเมื่อพระบุญนาคตัวพระ้า ค, คิดว่าถ้าเราไม่บอให้เธอดูเธอจะมีความโกรธคนที่โกรธในพระอรหันี้แค่โกรธอย่างเดียวมันไม่ต้องดาโง่รอถ้าเราอให้เธอดูเพร า, าะเธอใช่เราบอกคือตองเกิดแต่ชาตจาช า, าตินี้เราต้องเป็นท่านตัวห้าร้อย ก็วันั้นคือว่าการเป็นทาาดีกว่าของเรา่หอดูไอพที่สองเปล่าพวกที่สา่งจิ้กมาสีงเป่าพวกที่จมาหกัทังวันไม่ต้องหาจริงกินข้าวเปล่ามันไงเป็นว่าเสียงคนเก่รกรุงรูุ้ผู้เป็เจ้าเทศจุดในวัยมหาวิหารซึ่งถามว่ามันอาณาธดีกว่าอาณาอนว่าเสียงอะไร ข้าแต่กษัรกรกตริย์องค์ที่จะไปจอว่าบำเพระาแ่งองค์จะไปพูดหนึ่งว่เจ้าพรเลยเสียงคนโดยพระบโลหะพรรมตุพระราชหอที่พระเจ้าจึงสั่งให้ไปตามพระดุญโลหะจราชามาเพื่อเบาทมาด้วยก็ได้ทรงทำหนีแค่ทาลายบาด ท, ทุบเหยียดแก่แกแ้ทุกอง ว่าถ้าใครเป็เนโรคตาให้จจนจันนี่จแชนน่น้ฝนน้ฝนไม่ยาตาไม่ยาดตาโรงตาจะหายหลังจากนั้นองพระพุทธเจ้ า, ยาจทยก็สงห้ามบรรดาพระสงฆ์งไหลห้ามตั้งแต่พระรหันลงมาความจริงญาติโยมพุทธบริษัทพระรหันาา ท, ท่านในปบัตพระรหันท่าในตตบัตพราหานใัตตบตเพราะว่าทนจะไม่เห็ไม่รู้ไม่ยง่ะ จะเลือกบ้างสมาชิกสม า, าย์และพระเจ้าไม่กลับบำบัดจะ่ด้สิขาบทที่ปัด บ, บทตังตรรต้งแต่พระอราันี้มาว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปพระอะไรก็ตามจะสแสดงปฏิหารต้องขออนุญาตก่อนถ้าไม่ขออนุญาตก่อนในแสดงปฏิหารเข้าจะปับติดโทษแล้โวกคนไม่รู้มันจะบอก า, อาแค่ไหน ก็เดียนว่าหลังจากา น, นั้นเราจาจะมีความจำเป็นพระก็ื่อวเรื่องคาถิหายเร์องที่ว่าพระที่เข้ามีโดยพระสมาบัติตาเวลาจะมีมาบูมบัติในบ้านอยู่หยหลายสิบโยดดไปถ่านก็ออกมาแต่เวลาราะไม่ยอมให้ใครเห็นพอคนอยห็นก็ลงเดินเวลานี้จะมี เวลามีพระที and, ่บอกได้เนเห็นเห็นได้อย่นยัมีเยอะแยะนี่กไม่ใชมีก็จะไดจ้างพระไร้อะเลยพระหลังจ้างไอาจ้างท่านจ้างเท่าไรก็ยอมรับก็หลังจากนั้นบดาพระเบสิัก็หลายท่านที่ได้าบจากพระกุคคลพระหนงางปฏิหารเขาก็มีกาํกำริด คิดว่านับแต่บัดนี้เป็นต้นไปราจะแสดงปฏิหารแข่งกสนาโดมตามนาพระเจ้าพุทสาทรงทราบก็หนักใจข้าพระพเองทรงไปจองใจว่าในเมื่อพระองค์ทรงหั่นพระแสดงปฏิหารแรกต่อไปเดีสือสดแข่งององจะทําไงพระเจ้าก็บอกว่าถ้าเขาจะแข่งกับใคเขาตพระทต้องนะครับต้อสู้ พระเจ้าท er ี่สสัยก็ถอยเมื like ่าพระองค์ห้ามพระแล้วพระเจ้าือวฉัน enfin ห้ามโดยพระฉันห้ามตัวนเองนี่กไหมก็ขอ่ยตัดลับไปเมื่อพระเจ้าแสดงไปดูหาสศึกก็ไปสู่สวรรค์ท่านดาวดวงนโลกเวลาที่เดียวพอถึรนออกบรรษาคือวันนี้องคันจะหาเมื่อพระจะส่งจากสวรรค์ท่านดาวดวงจันโลก ไอ้ทีย่ยอดทมันดานมันได้สามอย่างคือมันไดเงินมันไดทองมันไดแก้วมันไดแก้วอยูกลางสำหรับพระพุทธเจ้าเสด็จลงมันไดทองอยกข้างขวาที่หรับพรมมันได้เงินเงินซ้ายทีย่แบบเทวดานางฟ้าลงตงที่เป็นตัวยัสำหรับพรนครเมื่อลงดวงมาถึงนันแลองค์ที่แบบจิตเ ก, ก, ก็สงถามปัญหาทวบรนาพระสงฆ์ทั้งหลาย อันดับว่าถามปัญหาไอ้เบญสยัยข้าโสดาบันแก่พระที่ทรงฌานพระที่ทรงฌานตอบไม่ได้ข้าโสดาบันก็ตอบต่อมาก็ถามปัญหาไอา้เบญสัยข้าสิทธาคา ม, มีข้าโสดาบันตอบไม่ได้พระสิท ธ, ธาคา ม, มีก็ตอบต่อมาก็ถามปัญหาข้าวว่ามาคามี ถ้าสัิชาคามีตอบไม่ได้พระอนาคตมีมาตอบตอนนัยว่าถามปัญหาบริสุทธิพระหลังถ้าอนาคตมีตอบไม่ได้พระหลังต้องตอบตอนนั้นว่าถามรู้ใสเรื่องกสาวรุภัณฑ์ใส่ถ้าหลัง้กติตอบไม่ได้ตอนพระโลกันาตอบตอนนั้ว่าถามปัญหาบริสุทธิ์พระหลัง เาะสถาบันข่าวุือบ้นนยางพระลูกเวลาตอบไม่ได้เพราะสายีลุดต้องตอบตามมาแลถามปัญหาเพระสายาลุดแม้ไปมีสายพุ่งเจ้าเพราะสายุดตอบไม่ได้พุ่งเจ้าลองถามสั้นๆให้โดยการให้ไหนภพราะสายหลุดจะตอบได้มื่บรรดาท่านพุทธวิชาต่งในเวลานี้มีการลักไก่เสมอคนที่อ่านหนังสือจะเป็นขั้นไหนก็ตาม ถ้ายังปฏิบัติไม่ถึงจะคิดว่ามีความเข้าใจถูกในพุทธศาสนาแม้แต่ชานโลกีแค่ชานโลกีต่ำๆสั้นๆในปรมฌ า, านก็ตามถ้าท่านเองอานหนังสมากกว่านั้นแต่ท่าไม่เคยได้ปรมฌานท่านจะไม่รู้ความจริงของปฐมฌ า, านเลยคนที่ได้ปรมฌ า, านเราจะไม่รู้จะไม่รู้ความเป็นมาของฌานที่สองนีง่เป็นต้น ก็เป็นั้นว่าท่านที่จะรู้ได้จริงๆถ้าหากว่าเราเป็นคนฉลาดต้องฉลาดจะเอางูไปถามไม่ได้นะพระราหูพระิ่งเจ้าจะทำไมไม่ท่านมีงูถ้าอยากจะรู้พระองค์นี้รรลขั้ไหนก็ตั้งไปครยกัท่านในฟังของยก็ไม่ตั้งใจจะไปลองดี ถ้าตั้งใจรปเรียนไปเขารู้แต่ไปกรอดอ่านถึงบ้านเขาไม่คุยด้วยเขาถือว่าเศษศักมนุษย์แบบนี้เขไม่คุยด้วยถ้าตั้งใจเอาจริงแล้วก็ตั้งใจบูชาแล้วอะไก็ตั้งแตงบ้านแล้วไปถึงก็คุยอย่างอื่นที่เป็นธรรมะตามท้งควรจะไปคุยเรื่องทางบ้านคุยเรื่องธรรมะธรรมโมคอยท้งควแล้วก็ถามถามแล้วสังเกตสิ ขอวความเข้าใจในสังโยชน์สิถ้าท่านอนั้นเป็นระโสโดาบันสุขิทาคามีท่านจะตอบแค่สังโยชน์สามท่านจะไม่ตอบไปถึงสี่ห้าเพราะถาทอานั้นเป็นพระอนาคามีท้านจะตอบไปถึงสังสโยชน์ห้าถ้าท่านอานั้นเป็นพระอรหันต์จะตอบกึงสังโยชน์สิบอราบดาน์เป็นพุทธวิสัชนัยเสียงก็แห้งมันคือไม่กัมมันตรัพ เมาเติมไข่ด้วยดี้เวลาดิ้ทินทางงไว้เตมันี้ให้่ามนาธรรมบ้าพอตัู้ญาฐานอ้รลตรนใจมีรวตรตนะหนักทรัตนะแรงสุนทรรัตนะ ต, ตัณห า, าการเติดมดวงวันดาววัดาวเติพุทธิัททุท่านมีเตความสบสลับพิพัฒน์ตะคนสมบูรณ์ล ค, น ค, น ค, น ค, นคน ไปจนจะเดนม่ไดจาตัววิถีควรใช้ต่างสิระการเมืุ ว, วันลนะสุขบาะละลัลก์เปฏิพานนะทุกท่านพัฒนาสิ่งใดไว้ได้ถึงนั้นทั้งความปราชา์ทั้งกระบการศาตนาพระพรทธทานศาสนามามันทำดีศาสนาสเรือพอเขยุติเขารำเทศนาคงคงไว้แต่ถึงตรงนี้อวันก็เป็กรรมการมาเช่นี้ได้รับอันนี้เป็นของธรรมดามมในเมื่อพระเจ้าแดินทรงพระบัชทาน ถ้าไม่รับอาจจะเป็นการหนึ่งเรื่องดุลเรื่องสามัคคีเรื่องก็ดีค ร, รับใช่หมเหมือนก็พระพระที่ไม่กินอย่างฉันเนี่ยไม่กินเงินออแบงกก็ไม่กินจะไปเชนฑ์เนก็รับแต่แบงก์ม่ซื้อข้าวกิน <laughs> ใครกินเงินแบงอะอะไรก็ตามถ้าญาติโยมมีสัา ใครเชิมาก็รับถ้าสิ่งนั้นไม่ผิดยังไงถ้าอันใดผิดเจะเดียดอยวนี้ใครทำอะไรใดที่ไม่ใช่ขนาดราคาขนาดไหนก็ตามก็จะไม่รับเพราะเงินก็ยิ่งยานกัเหมือนกันใครรู้น้นท่านไปเทศึงไปเทศึงมิเท ศ, เ, เ, ทศาาทเพราะมากเท่ขึ้นต้นโดยมากมากว่าจะขึ้นจุดหนึ่งปโสดาบัก่อนว่ารู้ปโสดาบันกนนน่นของไม่ยาก ท่นักปฏิบัติกรรมามทั้งหมดถ้าฉลาดนะม่ใช่ว่าฉลาดแต่ยันไง